สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเฟซูตอนที่สามร้อยห้าสิบเจ็ดเรื่องเชื้อฟอริสี่งพะจ้าของพระเจ้าอยู่ในพระธรรมลูกาบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งจนถึงข้อที่สามลูกาบทที่สิบสองข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามโปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าระหว่างนั้นคนเป็นอันมากนับเป็นพันพนชุมนุมเบียดเสียดกันอยู่ องทรง ต, งตั้งต้นตรัสกับเหล่าสาวกขององค์ก่อนว่าท่านทั้งหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีซึ่งเป็นคนหน่าซื่อใจคดแต่ไม่มีสิ่งใดปิดบังไว้ที่จะไม่ต้องเปิดเผยหรือการลับที่จะไม่เผยให้ประจักษ์เหฉะนั้นสิ่งสารพัดซึ่งพวกท่านได้กล่าวในที่มืดจะได้ยินในที่แจ้งและซึ่งได้กระซิบในหูที่ห้องส่วนตัวจะต้องประกาศบนดาดฟ้าหลังคาบ้าน เพับพระเยซูก็ได้กล่าวคำนิความน่าชื่อใจคดของพวกฟาริสีและเตือนให้สาวกของพระองค์ฝูงชนนั้นระวังเชื่อของพวกนี้ฝูงชนนี้มีขนาดใหญ่มากครับในพระมภีใช้คำว่าเบียดเสียดกันคำภาษากรีกที่ใช้อธิบายขนาดฝูงชนนั้นก็ภาษาไทยได้แปลออกมาครับว่าเป็นพันพันคน ตอนแรกพระเยซูตัดกับเหล่าสาวกของพระองค์ก่อนว่าท่างหลายจงระวังเชื้อของพวกฟาริสีซึ่งเป็นคนหน่าซื่อใจกดและก่อนหลังพระองค์ก็ตัดต่อไปว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังไว้ที่ไม่ต้องเปิดเผยไม่ต้องถูกเปิดเผยและสิ่งลับๆที่พวกเขาทํานั้นในที่สุดจะต้องเห็นประจักษ์พระเยซูใช้คําว่าเชื้อมาเปรียบเทียบพราะผลของเชื้อที่ค่อยๆแพร่กระจายไปนั้นทําให้แป้งแป้งนั้นเปลี่ยนไปครับพี่น้อง แป้งที่เอาเชื้อหมักนะครับเชื้อยีสต์หมักเนี่ยนะครับก็จะเปลี่ยนไปแม้ว่าพระเยซูกำลังตัดกับสาวก12คนของพระองค์ก็ตามแต่ก็มีฝูงชนร่วมอยู่ด้วยและรวมทั้งพวกฟาริสีด้วยครับพี่น้องพวกฟาริสีพวกนี้นะครับเป็นตัวแทนของคนที่หน้าไหวหลังหลอกเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ซื่อสัตย์ไม่จริงใจความน่าซื่อใจคนนั้นมีความหมายภาษาอังกฤษว่ า, ษา ไฮโปคลิปหรือไฮโปครซิสคือการคนการที่คนซ่อนตัวอยู่หลังหน้ากากพยายามที่จะปิดบังใบหน้าจริงๆของตัวเองพยายามที่จะปิดบังความจริงซึ่งพระเยซู ต, ตัดไว้ในข้อที่สองว่าความจริงจะต้องเปิดเผยไม่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตนี้ก็จะต้องเปิดเผยในชีวิตหน้าก็คือวันแห่งการพิพากษาพี่น้องครับพระจาพระเจ้าในวันนี้ ทำให้เราต้องกลับไปทบทวนชีวิตของเราครับว่าชีวิตของเรานั้นน่าชื่นใจคดหรือเปล่าน่าเสียดายครับที่บางคนมีมุมมองที่ค่อนข้างจะรุนแรงว่าคริสเตียนทุกคนเป็นคนที่น่าชื่นใจคดแต่ผมอยากจะบอกว่าคริสเตียนบางคนเป็นคนที่น่าชื่นใจคดบางคนที่เวลาทําทานชอบเป่าแตร นี่คือหน้าขึ้ใจกดปรากฏอยู่ในพระธรรมบทมัทธิวบทที่หข้อที่สองข้อที่ห้าข้อที่หกบางคนอธิษฐานยาวๆในที่ชุมนุมชนเพื่อที่ให้คนอื่นสังเกตเห็นและมั่นใจคนอื่นจะทำอะไรไม่รู้แต่พวกเขาเป็นคนที่เวลาทำอะไรต้องยืนอยู่บนแถวหน้าเสมอคนที่เป็นคนหน้าขื่อใจกดนั้น พวกเขาปิดประตูแผ่นดินสวรรค์ไว้จากมนุษย์และพวกเขาเองก็ไม่ได้เข้าไปเมื่อคนอื่นจะเข้าไปพวกเขาก็ขัดขวางไว้พี่น้องครับพวกน่าทื่นใจคดถวายทัสางด้วยสารแหน่ลูกผักชียีราซึ่งเราได้คุยกันมาแล้วนะครับเขาชำระถ้วยชามแต่ภายนอกแต่ภายในถ้วยชามนั้นก็คือการโจรกรรมมัวเมากิเลส พวกนี้ถือว่าเป็นคนตาบอดครับเป็นคนที่เหมือนกับเห็นครับแต่ไม่เห็นพระเยซูพูดกับเขาว่าสิ่งที่ออกมาจากภายในมนุษย์นี่แหละทําให้มนุษย์เป็นมนทถิ่นใจของมนุษย์คือใจของพวกเขานั้นมีความคิดชั่วร้ายการล่วงประเวณีการลักขโมยการฆ่าคนการผิดผัวผิดเมียการโลภ ก, การอาธรรมราคะตัณหาอิจฉาตาร้อนความเย่อหยิ่ง สารพัจ ก, การชั่วเกิดจากภายในทั้งสิ้นพี่น้องผมอยากจะบอกครับว่าพฤติกรรมของคนหน่าชื่อใจคดแน่นอนครับไม่ใช่เราทั้งหลายทุกคนที่เป็นคริสเตียนจะเป็นคนที่น่าชื่อใจคดแต่บางคนที่ชอบเสแสร้งและเป็นคนหลอกลวงและล้มไปในความบาปที่น่ากลัวเป็นความบาปลับๆนี่ครับคือ ความน่าชื่นใจคดหรือคนที่เสแสร้งทำเป็นว่าคนบริสุทธิ์มากกว่าที่ควรจะเป็นและพยายามที่ให้คนอื่นได้ยกย่องตัวเองพยายามยกตัวเองเป็นคนกลางระหว่างคนอื่นกับพระเจ้านี่คือความล้มเหลวของคริสเตียนบางคนที่จะใช้ชีวิตแทนที่จะ ได้ชีวิตครบบริบูรณ์แต่กลับไปมีชีวิตแบบพวกฟาริสีความจริงแล้วพวกฟาริสีนั้นพระเยซูเตือนให้ระวังครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแพ้เชื้อได้เพราะว่าแพ้เชือเเช้อได้และทำให้ของที่ดีนั้นเสียหมดแต่พระเยซูพูดความจริงกับเขาว่าไม่มีสิ่งใดที่จะปิดบังไว้ครับ ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าทุกคนจะต้องยืนอยู่รายงานตัวต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าในวันสุดท้ายและสิ่งใดที่เป็นสิ่งที่เราทำในที่มืดหน้ากากที่เราปิดไว้ตลอดเวลาก็จะถูกถอดออกก็จะได้ยินในที่แจ้งในสิ่งที่กล่าวในที่มืดสิ่งที่กระซิบอยู่ในหูที่ห้องส่วนตัว ก็จะทุ่งต้องถูกเป่าประกาศบนหลังคาบ้านพระเยซูกาลังบอกว่าในที่สุดคนที่ประพฤติตัวเช่นนี้จริงๆแล้วเขารู้ตัวดีครับเพราะหน้ากากที่เขาทำนั้นเขาสร้างขึ้นมาเองเขาโปะขึ้นมาเองในขณะเดียวกันพระเยซูเตือนเขาให้เขากลับใจใหม่ครับเพราะว่ายังไงก็ตามจะมีวันหนึ่งจะต้องถูกถูกเปิดเผยออกจะต้องถูกกระชากออก จะต้องเป็นเรื่องที่น่าอับอายที่คน อ, นอื่นจะได้เห็นถึงความชั่วร้ายความมืดบอดของตัวเองทุกสิ่งจะต้องถูกเปิดเผยออกหมดครับอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะกลัวพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้จะพูดถึงในข้อที่สี่จนถึงข้อที่เจ็ดเราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูกำลังบอกกับเราบอกกับพวกฟอริสีเช่นเดียวกันบอกว่า ต้องเกรงกลัวพระเจ้านะถ้าไม่เกรงกลัวพระเจ้าการพิพากษาจะเกิดขึ้นแล้วบางคนที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนแท้ไม่ได้บังเกิดใหม่แต่ถือคริสเตียนเป็นาศาสนาคอถือคริสเตียนเป็นช่องทางทามหาเลงชีพในการดารงชีวิตคนเหล่านี้ครับจะถูกพิพากษาและไปไม่รอดครับก็คือจะต้องไปอยู่ที่เกเรนนา ซึ่งเรียกว่าเป็นนรกนี่เป็นเรื่องที่คอขาดบาดตายนะครับนี่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นเรื่องที่ทำให้คนไปถึงความรอดหรือไม่รอดตกนรกหรือขึ้นสวรรค์พี่น้องครับในขณะที่พระเจ้านั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เข้มงวดเป็นพระเจ้าที่เป็นผู้พากษาเป็นพระเจ้าที่บริสุทธิ์เป็นพระเจ้าที่ชอบทํา เราเองนั้นจะต้องตอบสนองต่อพระองค์ในทางที่ถูกทรงทรงเป็นความสว่างครับถ้าเราบอกว่าเรามีพระเจ้าอยู่ในชีวิตแล้วชีวิตเรายังมีสองด้านยังมีมุมมืดและเราเสแสร้งทำตัวเป็นลูกของความสว่างแสดงว่าพ่อของเรานั้นคือมารครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการตรวจสอบและในการที่เราจะเอาหน้ากากออกทีละชั้นทีละชั้น จนกระทั่งเรานั้นโปร่งใสเรานั้นสำแดงออกถึงความเป็นตัวตนของเราอย่างแท้จริงแต่ความเป็นตัวตนของเราที่แท้จริงนั้นจะทำให้เราทั้งหลายมีอิสระทำให้เราทั้งหลายมีความชื่นชมยินดีทำให้เราทั้งหลายมีความสุขและไม่ได้อยู่ในชีวิตที่หลอกลวงอีกต่อไปขอพระเจ้าเสริมกาลังพี่น้องทุกท่านรวมทั้งข้าพเจ้าด้วยในเช้าวันนี้อาเมน